รู้เฉพาะตนโดยดังตรินผมเขียนคอลัมน์คิดจากความว่างลงในเนชั่นสุดสัปดาห์มาประมาณสองปีเศษด้วยความหวังว่าคุณผู้อ่านจะสนุกกับธรรมะเห็นคอลัมน์ธรรมะมีสีสันได้ไม่ต่างจากเรื่องใกล้ตัวที่น่าสนใจทั้งหลายแหละและถ้าใครติดตามมาตลอดก็คงผ่านตาไปแล้วนะครับ กับการนำเสนอวิธีเจริญสติแบบที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ในมหาสติปฐานสูตรหวังว่าคงไม่ยากและเห็นกันว่าทำตามได้จริงไม่ใช่หลักฝึกจิตที่ใช้ได้เฉพาะกับคนโบราณเมื่อ 2,000 ปีก่อนแต่ยังคงเป็นและจะเป็นหลักฝึกจิตที่ใช้ได้ตลอดไปตราบเท่าที่มนุษย์ยังมีอุปกรณ์คือกายแบบนี้ใจแบบนี้ของพวกเราหลายคนอยากทราบว่า ผมเอาหลักวิธีเจริญสติมาจากไหนคิดเองหรือฟังครูบาอาจารย์ท่านใดกันแน่คำตอบคือผมเอามาจากพุทธพจน์เดิมสิ่งที่เติมเข้าไปคือประสบการณ์ปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดาตลอดจนคำให้การของผู้รู้แจ้งเห็นจริงตามพระองค์ท่านขอให้เข้าไปสืบสำรวจตรวจทานเทียบเคียงได้จากมหาสติปฐานสูตร ซึ่งปัจจุบันหาได้ง่ายมากจากอินเทอร์เน็ตเช่นที่เว็บไซต์รร net, l a r n D h a m net l a r n h a m net ศึกสายดีๆจะพบว่าผมแทบลอกวิธีเจริญสติมาจากสูตรนี้คำต่อคำทีเดียวครับแม้วิธีเรียบเรียงและการใช้โวโหหารจะเป็นภาษาสมัยใหม่แต่ก็อิงพุทธพจน์ซึ่งกระจายอยู่ในสูตรอื่นเสมอหากคุณสนใจและนำไปปฏิบัติจริง ต่อให้ได้ผลดีเพียงเล็กน้อยมีสติรู้ตัวเพิ่มขึ้นนิดหน่อยชีวิตก็ต้องแปลกใหม่กว่าเดิมมากแล้วแปลกไปเพราะอะไรเพราะนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครสอนให้เรารู้จักตัวเองมีแต่แนะให้รู้จักคนอื่นรู้จักโลกรู้จักจักรวาลรู้จักสิ่งที่จับต้องไม่ได้มากมายสารพัดต่อเมื่อมีใครสักคนที่มาแปลก สอนวิธีรู้จักตัวเองผ่านการดูกายใจอย่างละเอียดเราถึงค่อยพบอะไรที่ไม่เคยพบเห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นเพราะเป็นของติดตัวเป็นของภายในเป็นของที่รู้ได้ด้วยใจเฉพาะตนเอาไปแสดงผ่านหูผ่านตาใครๆให้รู้ตามไม่ได้ความแปลกใหม่ของชีวิตอาจเกิดจากอะไรง่ายๆอย่างเช่นค้นพบว่าระหว่างรอใครสักคน เราจะรู้สึกเป็นทุกข์แบบกระวนกระวายหากใจจดจ่ออยู่กับเขาด้วยความอยากให้มาถึงเสียทีแต่หากสังเกตไปเล่นๆระหว่างนั้นว่าลมหายใจกำลังเข้าหรือออกอยู่เราจะรู้สึกสงบสุขเพราะมีสติอยู่กับสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดอาการอยากค้นพบว่าเมื่อทำอะไรล้มเหลวก็ต้องเกิดทุกข์แบบเสียใจเป็นธรรมดา แต่ถ้าเปรียบความเสียใจเป็นหนองน้ำสกปรกหากมัวจมแช่อยู่ด้วยความขาดสติเราก็จะเป็นผู้เปียกและสกปรกไม่เลิกแต่ถ้าพิจารณาว่าเราอยู่ในหนองน้ำสกปรกก็อาจถอนตัวขึ้นจากหนองน้ำอย่างง่ายได้เพราะเกิดสติเห็นโทษของการมัวจมแช่อยู่กับของสกปรกค้นพบว่าตอนเดินทอดน่องเรื่อยเปื่อยไร้จุดหมาย เราอาจเผลอเป็นทุกแบบฟุ้งซ่านรำคาญใจความคิดหลายต่อหลายเรื่องอาจรุมประดังเข้ามากระทบจิตโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงแต่หากทําความรู้สึกอยู่ว่าระหว่างเดินนั้นกําลังเกิดสัมผัสกระทบที่ฝ่าเท้าซ้ายหรือฝ่าเท้าขวาผัสสะกระทบจะเข้ามาแย่งพื้นที่ความฟุ้งซ่านในหัวไปอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง และถ้าเราเพียงพิจารณาต่อยอดว่าความคิดเป็นเพียงเมฆหมอกความปรุงแต่งทางจิตเฝ้าสังเกตอย่างใจเย็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วดับลงเป็นระลอกระลอกเป็นแพรความคิดแน่นหนาบ้างเป็นสายหมอกความคิดบางๆงบ้างความรู้สึกว่าเราคิดเราฟุ้งซ่านเรากลัดกลุ่มก็จะหายไปมโนภาพบุคคลไม่มี มีแต่มโนภาพกลุ่มความคิดเกิดดับเพียงเท่านี้ก็นับว่าปัญญาอันสูงส่งเกิดขึ้นแทนความเผลอเหม่อสเปะสปะได้แล้วการเจริญสติเป็นของทำได้ทุกคนแต่จะทำได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกสถานการณ์หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการฝึกหัดและสะสมความเคยชินที่จะอยู่ข้างใน ไม่ใช่เอาแต่ออกข้างนอกเจริญสติไปถึงวันหนึ่งเราจะรู้ซึ้งว่าทุกสิ่งมีขึ้นเพื่อหลอกให้เราเสียใจเหมือนมีแล้วกลายเป็นไม่มีจะให้ว่าอย่างไรนอกจากเป็นเท็จเป็นของหลอกแม้แต่ตัวเราที่แท้ก็เป็นเพียงรูปนามชั่วคราวเกิดจากเหตุปัจจัยหนึ่งหนึ่ง พอหมดกำลังส่งของเหตุปัจจัยนั้นๆก็ต้องปรวนแปรไปเสื่อมสลายหายสูญไปจะอยากอยู่หรืออยากตายก็ต้องตายไม่ต่างจากรูปนามของคนอื่นเลือกไม่ได้ด้วยซ้ำว่าจะให้พลากจากขณะยังรักหรือยังชังกันมรรคผลเท่านั้นที่ไม่ทำให้เราเสียใจ เพราะมรรคผลจะแสดงให้เห็นว่าไม่มีความดับศูนที่น่ากลัวเมื่อใดความทุกข์อันเป็นเทจหายไปความจริงอันเป็นบรมสุขก็มาแทนเองและตรงนั้นเองนักเจริญสติย่อมบอกตนเองและคนรอบข้างได้เต็มปากเต็มคำว่าสาสตร์ที่ตั้งต้นสอนให้มองออกนอกตัวคือสาสตร์ที่พาไปพบแต่ความเทจ มีแต่ศาสตร์ที่เริ่มด้วยการสอนให้มองเข้ามาในตัวเองเท่านั้นที่สอนให้เห็นความจริงพาไปพบที่สุดของคำตอบอันน่าพึงพอใจได้จริงเดิมทีพวกเราเหมือนหลับไหลอยู่หลงวนเวียนอยู่กับนิมิตมายาที่เลอะเลือนไปเรื่อยๆส่วนพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตื่นแล้วรู้ชัดแล้วว่านิพพานอันตั้งมั่นถาวรเป็นอย่างไร ทั้งมีความสามารถในการปลุกคนอื่นๆให้ตื่นตามท่านแต่รสชาติของการตื่นไม่ใช่สิ่งที่บอกเล่ากันได้ว่าเยี่ยมปานใดเป็นสิ่งที่ต้องรู้เฉพาะตนต้องอาศัยทั้งความเข้าใจและกำลังใจอย่างใหญ่หลวงคงไม่ใช่แค่อ่านหรือฟังเพียงเล็กน้อยแล้วอิ่มเหมือนช้างได้อ้อยเข้าปากถึงที่การพยายามหาทางรัด ทั้งหมดคือความล้มเหลวในระยะยาวส่วนการค่อยๆดูค่อยๆใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับความเป็นอริยะบุคคลคือความเป็นไปได้จริงที่จะบรรลุธรรมก่อนตายหลังจากแสดงวิธีเจริญสติให้คุณคุณได้ทราบโดยสังเขตจนสิ้นไปแล้วในลำดับต่อไปนี้ผมก็อยากจะช่วยให้คุณคุณโดยเฉพาะที่เพิ่งเริ่มสนใจได้เชื่อมั่นว่า เริ่มต้นถูกจุดเพราะจะเอาตัวคุณเองนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นขอประกาศให้ทราบนะครับต่อไปชื่อคอลัมน์คิดจากความว่างจะเปลี่ยนเป็นรู้เฉพาะตนด้วยแนวคิดที่ว่าถ้าเริ่มจากตัวเองการเจริญสติจะเป็นไปได้จริงและเป็นไปได้เร็วกว่าการนับหนึ่งตามคนอื่น ขออนุญาตย้ำนิดหนึ่งว่าผมจะคุยกับทุกท่านผ่านคอลัมน์รู้เฉพาะตนเท่านั้นจะไม่ตอบเมลเป็นส่วนตัวเพราะด้วยทิศทางของการถามตอบในกรอบเช่นนี้เท่านั้นที่จะช่วยให้เรารู้สึกเป็นกันเองตามแบบฉบับสังคมพุทธที่ช่วยกันพิสูจน์ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่จํากัดการไม่จากัดสาขาอาชีพแม้อ่านคาถามคาตอบของคนอื่นที่อาจจะยังจี้ไม่ถูกจุดของคุณแต่ก็อาจใกล้เคียงเข้าไป เพราะโดยเนื้อแท้อันเป็นที่สุดแล้วการเจริญสติเพื่อให้ถึงธรรมก็ไม่พ้นจากการเอาสองมือสองเท้ากับหนึ่งหัวใจนี้เป็นที่ตั้งนั่นเองครับขอเพียงได้แง่คิดได้แง่วิธีย้อนดูตัวมากขึ้นก็นับว่าบรรลุเป้าหมายของคอลัมน์รู้เฉพาะตนแล้วดังตริน